การปฏิบัติต่อผู้อื่นเพื่อความดีมีวิธีหลายอย่างอันนี้ขอเรียนว่าหัวข้อนี้เอามาจากหนังสือท่านเหลียวฝานบุญเจือจันอัจฉริณัเป็นผู้แปลอ่านแล้วได้ประโยชน์มากก็ขอดึงหัวข้อสิบหัวข้อมาผมขอเอาเฉพาะหัวข้อมาคำอธิบายนี่เราคุยกันเองหนึ่งช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี เราต้องอดทนทำเป็นตัวอย่างอยู่เสมอทางพุทธเราคือปัตตานุโมทนาใหม่ถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยด้วยกำลังกายหรือกำลังทรัพย์ให้กำลังใจให้เขาได้ทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปการพูดจาให้เขามีกำลังใจในการทำความดีก็ถือว่าช่วยผู้อื่นทำความดีการร่วมมือถือว่าเป็นการทำเองเหมือนกัน สำนวนไทยว่ามือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำบางคนก็ชอบช่วยคนทําความชั่วอันนี้ตรงกันข้ามพอเห็นใครทําความชั่วแล้วชอบเข้าไปช่วยไปเป็นพวกของคนทําชั่วมีคนถามได้เรื่อยว่าคนที่ไปเกิดเป็นโยมบาลทําบาปอะไรผมบอกว่า เท่าที่อ่านพบก็คืออนุโมทนาบาปเห็นคนตกปลาได้ตัวใหญ่ก็ดีใจด้วยเห็นเขาทำอะไรที่เป็นบาปกัดปลาชนไก่อะไรก็ดีใจด้วยอนุโมทนาหรือมีคนถามว่าผู้คุมเรือนจำทำกรรมอะไรถึงไปอยู่ในคุกแต่ไม่ได้ทำความผิดก็คงตอบในยะนี้แต่ก็เป็นเพียงอาจะนะครับ คือต้องไปอยู่กับคนที่เป็นนักโทษประตูก็ถูกปิดถูกล็อกเหมือนนักโทษอยู่ในคุกแต่ไม่ติดคุกแต่ท่านเข้าไปอยู่แล้วช่วยให้ผู้อื่นทาความดีคนที่ทำชั่วมาก็ได้รับความช่วยเหลือให้ทำความดีเพื่อจะได้ออกไปแล้วก็ให้กำลังใจด้วยการพูดจาสนับสนุนให้เขาทำสร้างต่อสิ่งที่ดีที่มีคนเริ่มเอาไว้แล้ว ช่วยสร้างต่อในสังคมเรามีข้อเสียเรื่องนี้อยู่คือไม่ค่อยสร้างต่อรัฐบาลเปลี่ยนใหม่ของเก่าก็ยกเลิกไปเหมือนสร้างสะพานไว้ครึ่งหนึ่งแทนที่จะสร้างต่อก็รือ้อแม้แต่ห้องทางานพรมผ้าม่านก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทำให้สิ้นเปลืองเพราะผู้มาอยู่ใหม่ก็อยู่ชั่วคราวไม่ควรสิ้นเปลือง ต้องมีใจกว้างไม่ริษยาไม่เห็นแก่ตัวต้องนึกถึงประโยชน์ของมหาชนถ้าริษยาแล้วทำไม่ได้มันมีแต่จะทำลายมีข้อความหนึ่งในเอกานิบาตชื่อคัมมานิชาดกแต่รายละเอียดมีในเอกาทสานิบาตหมวด1ิ 11, ชื่อสังวรชาดกมีพระราชาพระองค์หนึ่งท่านไม่ริษยาใครเป็นน้องคนฉุดท้อง คืมีพี่ชายตั้ง99ประชาชนรักมากเพราะท่านมีคุณธรรมสูงสังขาวัตถุสีนี่ดีมากเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนก็ได้ขึ้นครองราชเมื่อพระราชาจะสิ้นพระชนม์มหาอมาตย์ก็ทูลถามว่าจะให้ใครครองราชต่อพระองค์ก็ตอบว่าแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นสมควรมหาอมาตทั้งหลายก็ ยกสังวรากูมานขึ้นเป็นพระราชาพี่ทั้ง99ท่านอยู่หัวเมืองก็ชวนกันยกกองทัพมาว่าจะมายึดเอาราชสมบัติน้องคนสุดท้องมีอาจารย์ดีก็ปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรพี่ๆเขา ย, ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องรบแบ่งให้ท่านไปเลยท่านต้องการเท่าไหร่ก็ให้ท่านไป ก็ส่งจดหมายตอบไปว่าน้องไม่รบกับเจ้าพี่ทั้งหลายต้องการราชสมบัติเท่าไหร่ก็เอาไปหรือแบ่งเท่าๆกันก็ได้พี่ๆมาแล้วเห็นน้องเป็นคนเคารพนบนอบเป็นคนมีคุณธรรมดีเหลือเกินประชาชนรักมากก็เลยชวนกันไม่เอาของน้องพระราชบิดาคงเห็นแล้วว่าน้องเป็นคนดีมากเลยให้พวกเราไปอยู่หัวเมืองกันหมดเลย มีผู้ถามว่าท่านเป็นน้องคนที่ร้อยทำไมได้ครองราชสมบัติท่านบอกท่านมีคุณสมบัติคือไม่ได้ชยาใครแล้วมีสังฆาวัตถุมีใจยินดีในธรรมและท่านเชื่อคำของอาจารย์สมบัตินี้ได้มาอาจารย์เป็นคนมอบให้คือบอกอย่ารบพี่ชายก็แพ้ความดีของน้องทุกอย่างก็เลยเรียบร้อยดี 2. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้าคือให้เกียรติคนเป็นตามฐานะของเขาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ทานโดยเคารพคือไม่ว่าให้แก่ใครให้ด้วยอาการนอบน้อมด้วยความเคารพเห็นแล้วรู้สึกว่าให้ด้วยความรักที่จะให้ไม่ใช่ให้เหมือนจะทิ้งเสียสําหรับผู้รับก็ไม่ติเตียนของที่เขาให้ ไม่ว่าจะไม่ประนีตเศร้าหมองให้อย่างไรก็รับอย่างนั้นให้เกียรติแก่คนทุกคนเสมอหน้ากันสำนึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเราเป็นคนมีเกียรติไม่ดูหมิ่นใครๆทํทำให้เราต้อนรับคนทุกคนด้วยจิตใจอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กกว่าหรือเสมอกันมีความรู้สึกว่าทุกคนมีอนุภาพของตน ใช้เขาตามอนุภาพที่เขามีคือถ้าจะขอความช่วยเหลือก็ขอตามที่เขามีอนุภาพเหมือนแมวมีอนุภาพในการจับหนูมันลากยาไม่ได้ถ้าจะให้ลากเกวียนก็ต้องใช้มา้าม้ามีอนุภาพในการลากเกวียนใช้แมวไม่ได้ม้ากับแมวมีอนุภาพต่างกันคนเราแต่ละคนก็มีอนุภาพไม่เท่ากัน บางคนมีอนุภาพในด้านพิมพ์ดีบางคนตัดยากเก่งเราไปตัดก็จะสู้เขาไม่ได้ถ้าเผื่อใช้คนตามอนุภาพของเขามันก็จะใช้ได้ทุกคนมีความรู้สึกอยู่ว่าสัพเบสัตตาสุขะกามาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงใคร่ต่อความสุขดุขาปฏิกูลาเกลียดความทุกข์ เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถึงจะไม่เป็นเพื่อนทางอื่นแต่ก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าจะเป็นศัตรูกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีสัพเพสัตตาบทนี้ดีพอแผ่เมตตาแล้วมันทาให้จิตใจอ่อนโยนลงถ้าสังคมเรามีเมตตาต่อกันความทุกข์ก็ลดลงเยอะส สนับสนุนผู้อื่นให้มีความดีพร้อมหมายความว่าเพิ่มส่วนที่บกพร่องพระพุทธเจ้าทรงทาบ่อยๆใครมากล่าวอะไรต่อหน้าพระพักพระองค์จะตรัสว่าที่กล่าวนั้นดีแล้วแต่ว่าขอเพิ่มให้หน่อยนึงว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ทําส่วนที่พร่องให้เต็มขึ้นแล้วก็ไม่ซ้ำเติมส่วนที่ผิดพลาด เปิดโอกาสให้กลับตัวช่วยเจรนเพชรให้แวววาวช่วยกำจัดมนทินทองให้สุกปปล่งอันนี้หมายความว่าถ้าใครเขามีท่าทางว่าจะดีก็ช่วยเขาหน่อยคนนี้ท่าทางเป็นเพชรก็ช่วยเจรนายเขาหน่อยถ้าแท้เขาเป็นทองคาแม้ว่าเขาจะมีมนทินไปบ้างแปดเปื้อนไปบ้างแต่ไม่ใช่โดยนิสยัยโดยฉันดา แต่ว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องมันมีได้ทุกคนก็ช่วยกาจัดมนทินให้หมดไปให้ทองสุกเปล่งขึ้นก็ดูดินเราปั้นเป็นพระพุทธรูปคนก็ยินดีกราบไหว้เห็นใครมีแววดีก็ส่งเสริมให้เขาดียิ่งขึ้นเช่นให้รางวัลให้ทุนการศึกษาเรียกว่าสนับสนุนผู้อื่นให้มีความดีพร้อม คนเราบกพร่องกันทุกคนมากหรือน้อยต้องการความเห็นใจจากผู้อื่นอยู่ทุกคนก็ต้องไปจากตัวเราก่อนเมื่อเราต้องการความเห็นใจจากผู้อื่นเราก็ต้องเห็นใจผู้อื่นที่เขาผิดพลาดบกพร่องหรือส่วนเสไปเป็นธรรมดาปัญหาคือคนที่ไม่รู้ความบกพร่องของตัวเอง และไม่ต้องการความเห็นใจจากใครนี่สำคัญที่จริงการที่ไม่รู้ความบกพร่องของตัวเองนั่นแหละคือความบกพร่องที่สำคัญผมประทับใจจริยาของพระเยซูเรื่องหนึง่งที่สมัยพระเยซูยังไม่มีบารมีแก่กล่ า, าศาสนายิวมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้หญิงที่ผิดศีลข้อกามีจะถูกประชาทัน วันหนึ่งมีคนจับได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งประพฤติผิดศีลข้อ น, นี้พระในศาสนายิวศา ส, สนายูดาก็ชวนกันถือไม้บ้างถือเชือกบ้างก้อนดินบ้างจะลงโทษผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปหาพระเยซูที่อยู่ในโบสถ์พระเยซูก็บอกกับคนที่กําลังตามไปว่า ใครก็ได้ขอให้พูดออกมาอย่างมั่นคงว่าเขาไม่เคยทำความผิดอะไรแล้วขอให้คนนั้นลงมือก่อนเลยจะปาด้วยดินหรือตีด้วยไม้ทำได้เลยปรากฏว่าไม่มีใครกล้าพูดพระเยซูก็บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายก็เคยทำความผิดมาแล้วท่านจะมาลงโทษคนที่ทำความผิดแบบนี้ได้อย่างไร ต้องเปิดโอกาสให้เขากลับตัวภาษิตไทยเราก็มีอย่าไล่หมาให้จนตรอกต้องมีช่องทางให้หมามันหนีไปบ้างถ้าจนตรอกมันต้องหันมาสู้บางทีมันจะกัดคอเอาท่านเหล่านี้นะครับพระเยซูพระพุทธเจ้าท่านมหาตรรมาการทีมหาบุรุษเหล่านี้ท่านเป็นนักให้อภัย พยายามส่งเสริมให้คนดีสี่ชี้ทางให้ทำความดีบางคนเป็นคนนิสัยดีแต่ไม่รู้ว่าทางแห่งความดีคืออะไรบางคนมีเงินไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรถ้าเป็นกัลยาณมิตรก็จะบอกว่าไปพิมพ์หนังสือธรรมะสิไปสร้างโน้นสร้างนี่สินี่ชี้ทางให้ทำความดี บางคนก็หันรีหันขวางอยู่ไม่รู้จะทําอะไรดีเมื่อมีผู้ชี้ทางเขาก็เดินไปตามทางไม่มัวแต่ดูนิ้วผู้ชี้อยู่ก็ไปริ้วๆได้เลยการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจากพูดแล้วพูดเล่าจากขนาบแล้วขนาบเล่าไม่ถนอมเธอทั้งหลายเหมือนช่างหม้อที่ถนอมหม้อใหม่ผู้ใดมีสาระผู้นั้นก็จะอยู่ ทีนี้ถ้าเขาไม่มางก็ต้องปล่อยทําใจแบบบัณฑิตที่ว่าเขาจะปรากฏด้วยกรรมของเขาเองแต่ว่าเบื้องแรกก็ต้องทําหน้าที่ก่อนคือชี้ทางก่อนแต่เขาไม่เชื่อก็จะปรากฏด้วยกรรมของเขาเองเหมือนฤษีเลี้ยงงูเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆให้อาหารมันกินใส่กระบอกไม้ไผ่ฤษีทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันก็บอกว่า อย่าไปยุ่งกับอสสารพิษเลยปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเถอะโอ้ยไม่ได้ผมรักมันวันหนึ่งพวกฤาษีก็ไปหาพลาผลกันในป่าลึกฤาษีคนที่เลี้ยงงูก็ไปด้วยอีกสองสาวันกลับมาก็ได้ของมาคิดถึงงูที่อยู่ในกระบอกร้องเรียกว่าลูกคงหิวแย่ล้วงมือเข้าไปจะป้อนอาหารก็โดนกัดเอาถึงตาย เพราะมันหิวมาหลายวันแล้วก็เหลือยไปก็มีคนเลี้ยงมา้าที่คุยกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าสอนม้าไม่ได้ก็ฆ่ามา้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฆ่าเหมือนกันฆ่าก็คือไม่สอนทีนี้คนที่มีนิสัยอ่อนโยนลมุนละม่อมจะชี้ด้วยคำพูดได้ แต่บางคนกระด้างก็ต้องส่งหนังสือให้อ่านเพราะว่าพูดด้วยปากเขาไม่ฟังถ้าอ่านแล้วถูกใจเข้าเขาอาจจะเปลี่ยนได้ 5. ช่วยผู้ที่อยู่ในที่คับขันช่วยให้พ้นจากความคับขันช่วยเงินทองบ้างช่วยกู้หน้าบ้างช่วยคนที่จนตรอกบ้างแต่ก็ต้องช่วยให้ทันการเวลาที่เขาต้องการ เหมือนดินกำลังแตกระแหงได้น้ำลงไปสักขันมันก็ดูดหมดและไม่จำเป็นต้องคิดถึงบุญคุณแต่ว่าขอให้ช่วยให้ถูกกาลเวลาให้ทันเวลาเคยมีเรื่องเล่าในหนังสือเมธีตะวันออกของอาจารย์เสถียรโพธินันทะว่ามีคนหนึ่งเดินทางไปเมืองหนึ่งระหว่างทางเจอปลากำลังนอนในหลุมแห้งปลาก็บอกว่าช่วยทีเถอะ เอาไปปล่อยในหนองน้ำด้วยเขาก็บอกว่าได้ขอเวลาฉันหน่อยฉันจะไปทดน้ำในแม่น้ำมาให้ปลาก็ตะโกนบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านไปคอยที่ตลาดเถอะตอนนั้นคงเป็นปลาแห้งไปแล้วทรัพย์คนดีมีน้อยปลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตรณีใน พึ่งไม่ได้น้ำสมุนมันสุดเค็ม 6. มันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะคือถือเอาเป็นงานทั้งหมดไม่ว่าเป็นงานของตัวงานของผู้อื่นงานของสังคมก็เหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วก็หายแต่ผลงานยังอยู่ให้ชื่นใจ ท่านแพร่เยื่อไม้บอกว่าคนที่ทำงานประเภทนี้มองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองไปข้างหลังก็มีความสุขสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบอกว่ามองไปข้างหลังแล้วไม่สลดคือไม่มีความผิดอะไรให้สลดคือขอให้ถือว่าทุกอย่างเป็นการทำงานจะเป็นงานของเราของผู้อื่นของใครก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อม คืออะไรเป็นประโยชน์ของเราโดยตรงมันก็เป็นประโยชน์ของผู้อื่นโดยอ้อมอะไรที่เป็นประโยชน์ของผู้อื่นโดยตรงก็เป็นประโยชน์ของเราโดยอ้อมเมื่อตั้งใจอย่างนี้ก็จะมันทําประโยชน์สาธารณะไม่เกี่ยงงอนไม่ตระนีแรงท่านเจ้าคุณวิบูณเมธาจารย์สอนคติว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่ชิ้นลม อยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฝาดินคนเราเกิดมากินอยู่เยี่ยวนอนไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่รู้จะเกิดมาทำไมมันเหมือนสัตว์โลกประเภทหนึ่งอย่างวีระบุรุษวีระสตรีเป็นร้อยปีก็ยังจำชื่อกันได้เจ็ดมันบริจาคไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ อันนี้ถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาก็เอาโภคะอาทิยะประโยชน์ที่ได้จากการถือโภคัดซับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้พุทธาาตาโภคาพตาภัจจาได้ซับแล้วบริโภคเองบ้างได้ซับแล้วเลี้ยงดูญาติมิตรบ้างเลี้ยงตนมารดาบิดาบ่าวไพรให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข บัมบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆทําปลีห้าอย่างคือญาติปลีสงเคราะห์ญาติอติทิปลีต้อนรับแขกปุพพะเตรปตาปลีทําบุญอุทิศให้ผู้ตายราชปลีเสียภาษีอากรเทวตาปลีทําบุญอุทิศให้เทวดาการบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าจะใช้รับไปในการเหล่านี้รับเสียไปก็ไม่เสียดายรับเพิ่มพูนขึ้นก็มีความปลื้มใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าดตาัตตวาจะพุทตวาจะยะฐานุภาวังได้บริโภคได้ให้ตามกำลังแล้วอนินทิโตไม่ถูกติเตียนสักขุเปติฐานังเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐ บางแห่งก็ตรัสว่าทรัพย์ที่บริจาคแล้วถือว่าเก็บไว้ดีแล้วที่ยังไม่บริจาคถือว่ายังเก็บไว้ไม่ดีเหมือนกับเมื่อไฟไหม้บ้านสิ่งใดที่นําออกไปได้สิ่งนั้นก็ถือว่ารอดจากไฟไปสิ่งใดอยู่ในบ้านก็จะถูกไฟเผาไปด้วยทรัพย์ที่ได้บริจาคโดยสมควรแล้วโจรก็ขโมยไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้ ดาดาโตบุญยางประวัตติบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้เวรย่อมไม่มีแก่ผู้สำรวมระวังเวรย่อมไม่สั่งสมไม่ขยายตัวแก่ผู้สำรวมระวังผู้ฉลาดย่อมละบาปเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะจึงไปนิพพานนี่ข้อความในมหาปรินิพพานสูตร สำหรับบุคคลที่ใช้ทรัพย์ไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเทวดาก็ช่วยรักษาบุคคลผู้นั้นผู้ซึ่งทำรักษาแล้วทำรักษาด้วยเทวดาช่วยรักษาด้วยไม่ตกต่ำไม่ลำบากไม่เดือดร้อนไม่ต้องกลัวจนต้องกำกับไว้ด้วยว่าใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าให้มาก ยิ่งให้มากยิ่งได้อะไรทำนองนี้ได้บุญมากที่มีการพูดกันอยู่เสมอเวลานี้คือถ้าเมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณใช้ไม่เป็นตัวเองก็เดือดร้อนมันไม่เป็นสัปปุริสสถานบางวัดที่โฆษณาทำให้มากมีเท่าไหร่ทำเข้าไปถาไวายเข้าไปที่จริงโดยสัญลักษณ์ของสมณนะหรือโดยภาวะของสมณนะ ท่านจะไปพูดอะไรเข้าข้างตัวดึงเข้าหาตัวไม่ได้อย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสอะไรให้คนเขาเลื่อมใสเอาน้อมของเข้าไปถวายพระองค์ตรัสว่าอันนี้รับไม่ได้ให้เอาไปเทลงในน้าน้ำก็เดือดไม่ควรบริโภคหมายความว่าเป็นของร้อนเพือจะไม่พูดอะไรให้น้อมลาบเข้ามาหาตัวถ้าคนอื่นพูดก็เรื่องของคนอื่นนะครับ แต่จะให้พูดให้น้อมลาบพ่อมหาตัวไม่ใช่วิสัยของสมณะที่เป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามีพระเทราะของเราหลายรูปที่ท่านไม่เคยทำเลยคือไม่เคยพูดจาเป็นทำนองน้อมลาบพ่อมหาตัวเลยนี่เป็นวัดที่ดีของสมณะแปดทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมนี่ก็เป็นธรรมานุวัตเป็นธรรมทธิปไตยมีธรรมเพนทง มีสุภาษิต ท, ที่แสดงถึงธรรมเช่นธรรมโมหิอิสินังทโชธรรมนั่นแลเป็นธงของผู้สแสวงหาคุณทั้งหลายธรรมมานุวัตนี่ก็เป็นหัวข้อธรรมข้อหนึ่งที่บุกเบิกทางไปสู่ความสุขมีหกอยาก่างหนึ่งอารโรขยะความเป็นผู้มีโรคน้อยสองสีลมีความประพฤติดี 3. าพาหุสัจจะศึกษาเล่าเรียนได้สะดับตรับฟังมากมีความรู้ดี 4. พุทธานุมัตดำเนินตามทางท่านผู้รู้เคารพท่านผู้รู้ทำตามท่านผู้รู้ 5. ธรรมานุวัตอนุวัตตามธรรมทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 6. อรีนตาไม่ท้อแท้ ดันหปรรักกโมมีความเพียรไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 9. เคารพผู้อาวุโสผู้ใหญ่เทรารัตนอยูเป็นเถระเป็นผู้รู้ราตรีนานทำให้เป็นคนมีสเสน่ห์น่ารักช่วยให้บ้านเรือนอยู่เป็นสุขมีพ่อแม่พี่น้องคือรู้จักฐานะของตนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ในสังคมไทยยังรักษากันไว้ได้พอสมควรพระก็ยังเคารพกันตามพรรษาบวชกรบวชหลังทำให้ลดทิฏฐิลงได้ต้องกราบผู้ที่มียศน้อยกว่าแต่พรรษามากกว่าถ้าพระที่มีพรรษาน้อยแต่มีสมณศักดิ์สูงเช่นเป็นเจ้าคณะจังหวัดถ้ายังมีความอ่อนน้อมไหว้พระที่มีพรรษามากกว่าก็จะงาม แต่พระผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติผู้น้อยที่มียศศักเือกว่าก็เคารพในฐานะนั้นเป็นการเคารพซึ่งกันและกันก็จะดีเป็นเสน่ห์มากกว่าการให้พระผู้มีพันธ์สามารถมาแสดงความเคารพพระผู้มีพันธาน้อยแต่ยศชมนสูงกว่าเป็นการถือยศเกินไปไม่สมควรเหมือนเรื่องพระญาติของพระพุทธเจ้าที่ออกบวช มีท่านพระอนุรุธเป็นต้นและช่างกันระบบไปบวชทั้งหก็ให้ท่านอุบาลีบวชก่อนเพื่อตัวเองจะได้กราบเพื่อลดนิสิมานะตัวเองลงนี่น่าเป็นตัวอย่างเป็นสเสนพพอนำมากล่าวก็ทราบซึง้งเจ้านายกับคนใช้ออกบวชพร้อมกันก็ให้คนใช้บวชก่อนเพื่อจะได้กราบคนใช้เพราะรู้ธรรมเนียมว่า ผู้ที่บวชทีหลังจะต้องกราบไหว้ผู้ที่บวชก่อนแม้พรรษาเดียวหรือแม้แต่วันเดียวท่านคิดดีตั้งแต่ก่อนบวชส่วนที่พระให้พรตอนจบที่ว่าพรสีประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลที่รู้จักเคารพผู้ใหญ่อภิวาดานสีลิสนิจจังวุธาปจายิโน จตาโรโหธรร ม, มวัฒนติอายุวันโนสุขถังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอภิวาทอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อายุวันนะสุขะพละเจริญคืออย่างไรมีหลายไ n ยะคือทำให้อายุยืนตามเรื่องก็คือ อายุวัฒนกูมารที่นิมนต์พระมาฉันแล้วทำให้เป็นผู้อายุยืนเคารพพระสงฆ์ทำให้อายุยืนปรารบเรื่องอายุยืนจึงได้ตรัสพระคาถานี้แต่ที่นี้โดยธรรมผู้มีความเคารพอ่อนน้อมมีกะตัญยูกะตะเวทีแล้วคุณธรรมอื่นๆมันมาเยอะก็จะทำให้เป็นผู้มีอายุยืนมีวั น, นะดี วันนะแปลว่าสันเสริญก็ได้แปลว่าผิวพันก็ได้ได้รับการสันเสริญหรือว่ามีผิวพันดีเพราะจิตใจดี 10. รักชีวิตของผู้อื่นเสมอด้วยชีวิตของตนอันนี้ค่อนข้างทำยากปกติสัตว์วโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉาน ก็จะรักชีวิตของตัวมากกว่าชีวิตผู้อื่นแต่ว่าพยายามให้ใจกว้างรักชีวิตของผู้อื่นเสมอด้วยชีวิตของตนแต่บางคนถ้าพัฒนาไปได้สูงมากก็อาจจะรักชีวิตผู้อื่นยิ่งกว่าชีวิตของตัวก็ได้คือท่านจะไม่ทำลายชีวิตของผู้อื่นยอมให้ผู้อื่นทำลายชีวิตของท่านถ้าจะทำลายหรือแลกกัน อย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกถ้าเผชิญหน้ากันระหว่างชีวิตของท่านกับชีวิตของผู้อื่นท่านก็ยอมสละชีวิตของท่านแต่จะไม่ทำลายชีวิตของผู้อื่นท่านมหาตามะคาทีเคยตอบคำถามของผู้ที่มาถามท่านว่าในขณะที่ท่านสอนเรื่องอหิงสาถ้าท่านเดินไปแล้วเจองูงูจะเลื้อยมากัด ท่านถือไม้เท้าอยู่ท่านจะตีงูไหมท่านบอกว่าท่านจะทิ้งไม้เท้าเสียอันนี้แปลว่าท่านยอมไม่ตีงูมีคำพังเพยของเราที่ว่าถ้าเจอแขกกับงูให้ตีแขกก่อนแขกร้ายพอไปเจอแขกอย่างท่านคานทีต้องยกเว้นเป็นที่บูชาของโลกที่จริงก็เป็นคำพังเพยที่เกินไปนะครับ คนก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างทุกแห่งไปละครับเคยมีเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกรสนสนทนากับนางมาลิกาไม่เหสีของพระองค์ว่าน้องรักใครมากที่สุดก็คงจะหวังคำตอบว่ารักพระองค์แต่พระนางมาลิกาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เลยบอกไปว่ารักตัวเองมากที่สุด ย้อนถามพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลว่าพระองค์รักใครมากที่สุดพระเจ้าประสิทิที่โกศลก็ตอบว่ารักตนเองมากเหมือนกันแล้วชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลเล่าให้ทรงสะดับว่าคุยกันแบบนี้ถูกไหมพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าถูกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามองพิจารณาดูไปทั่วทุกทิศแล้ว ไม่เห็นใครที่ไหนอื่นจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนคนอื่นเป็นอันมากก็คงรักตนของเขาเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นคนรักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสให้เป็นอุดมคติถ้าเราถือตามนี้ด้วยการเบียดเบียนกันก็จะน้อยลงนักเกียดแพทย์มหิดลที่มีตาเขียนว่าอัตานางอุปมังกเร พึ่งทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบหมายความว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้านักเรียนแพทย์แต่ละคนจบแล้วหรือกำลังเรียนสำนึกในพาสิประจำตัวนี้ก็จะเป็นแพทย์ที่ดีจะไม่เอาเปรียบสังคมไม่หาประโยชน์บนความพุกของผู้อื่นมีเมตตากรุณาสูงน่ารักน่าเคารพไม่อั ญ, ญมัญญะขาธิกา ไม่กินซึ่งกันและกันมนุษย์ไม่กินมนุษย์ไม่ทุพพละขาทิกาไม่กินผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพาละบันดิตตสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตว่าถ้าเผื่อไม่มีธรรมแล้วมนุษย์ก็จะกินกันเองกินกันเองนี่เป็นสำนวนไม่ใช่กินเนื้อกินหนังแต่เป็นเบียดเบียน อัญยะมัญญามาริกาคือเป็นมารซึ่งกันและกันเบียดเบียนกันทำให้ตายบางทีเราพูดกันว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดถ้าใครพูดให้ผมได้ยินก็จะเพิ่มให้ว่าคนฉลาดแกมโกงคนโง่ที่เป็นเหยื่อของคนฉลาดคือคนฉลาดที่เป็นคนโกง ถ้าคนฉลาดที่เป็นคนดีคนโง่ก็จะได้พึ่งแล้วเขาจะทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดขึ้นอตาหิปรมังปิโยตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนอันนี้คือสัจธรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสเพิ่มบูดมคติให้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งเขาก็รักตนเหมือนกันหรือว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรจะประครับประคองให้ดีปัจจุบันเรื่องยาบ้าเยอะก็ควรจะเข้ากับพุทธภา ษ, ษิตที่บอกว่าอัตตาณเจปิยังชัญญานันงปาเปณะสังยุเชถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรเอาตนไปผัวพันกับความชั่ว บุคคลถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรทำบาปเพราะคนทำบาปหาความสุขได้ยากนาหิตตังสุรพังหติสุขขังดุกตะการินาเพราะว่าคนทำบาปหาความสุขได้ยากเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำละพบมนุษย์ไปอะไรเล่าเป็นสมบัติของเขาเขาเอาอะไรไปได้บ้าง อะไรติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวบุญและบาปทั้งสองอย่างที่บุคคลทําไว้ในโลกนี้นั่นแหละจะเป็นของเขาเขาย่อมพาเอาบุญและบาปนั้นไปบุญและบาปนั้นติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นบุคคลพึงสร้างกัลยาณกรรมสั่งสมไว้เป็นสมบัติในสัมปร이ยพภคคือภพหน้า เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าตนเองนั่นแหละสำคัญกว่าเป็นไหนไหนเตรียมตนไว้ให้ดีก่อนแล้วต่อไปก็จะได้สิ่งที่เป็นที่รักคือถ้าเตรียมตนไว้ให้ดีแล้วก็จะได้สิ่งที่รักที่ปรารถนาทีนี้ถ้าไปทำความชั่วก็จะพลากจากสิ่งที่รักด้วยพรากจากสมบัติทั้งปวงด้วย ลักษณะมันเป็นอย่างนั้นอย่างพระเจ้าสุตตสโสมพูดให้โอวาทโจนโปริศาสตรที่ไปกินเนื้อมนุษย์ในเรื่องทำนองนี้ว่าถ้าไปทำชั่วเพราะสิ่งที่รักก็จะพลากจากสิ่งที่รักพลากจากสมบัติต่างๆด้วยสุภาษิตต่างๆเป็นของดีนะครับมีบทหนึ่งอัตตัดถังปรเัเถนะบหุนาปินหาเปเย ไม่ควรทำประโยชน์ของตนแม้น้อยให้เสื่อมเพราะประโยชน์ของบุคคลอื่นแม่มากและมีอีกบัรทัดหนึ่งว่ารู้ประโยชน์ของตนแล้วควรขวนขวายในประโยชน์ของตนอันนี้เฉพาะกิจนะครับสมมติว่านักศึกษาปี4ีํกำลังสอบอยู่ใครมาชวนไปช่วยทำงานโน้นหน่อยก็ต้องพิจารณาเลือกว่าควรจะดูหนังสือมากกว่า อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเฉพาะกิจกับอัตตะดัตถะที่ท่านไม่ไปร้องไห้คร่ำครวญกับคนอื่นตอนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนานด้วยบอกว่าดีแล้วที่คิดอย่างนั้นคิดว่าจะเอานิพพานให้ได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานเพื่อจะบูชาพระองค์ประโยชน์ของตนในที่นี้คือนิพพาน ที่นี้อัฏฐกถาจารย์ท่านก็ช่วยอธิบายบอกไว้ถ้าคิดจะเอ า, น, านิพพานวันนี้พรุ่งนี้ก็เอาเถอะจะละทิ้งกิจวัตรเสียบ้างเช่นอุปชัยวัตอาจาริยวัตอาวาสิกวัตรอาคันตุกวัตอะไรต่างๆก็ได้เพื่อไปให้ถึง น, นิพพานวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าเลี่ยวเล่นไม่เอาเรื่องเห็นแก่ตัวอย่างนั้นไม่ใช่ ไม่ได้คือสุภาษิตนี้มันเฉพาะกิจเฉพาะการแต่ในที่อื่นๆก็ทรงแสดงเป็นกลางๆว่าอัตถะปัญญาอาสุจิมนุษษาคนที่เห็นแก่ตัวเป็นมนุษย์ที่ไม่สะอาดซึ่งตรงกันข้ามฉะนั้นต้องดูที่มาที่ไปของภาษิตต่างๆให้ชัดเจนว่าพระองค์ตรัสปรารบเรื่องอะไรมีอะไรนำมาก่อน ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็เอามาตีกันยุ่งไปหมดเหมือนกับพ่อแม่ที่เอ็นดูลูกลูกจะสอบรุ่งนี้ลูกเขาเคยซักผ้าถูกบ้านก็บอกว่าลูกเอ้ยสองสมวันนี้ไม่ต้องซักผ้าถูกบ้านหรอกดูหนังสือให้สอบเสร็จก่อนค่อยทำก็ทำนอง น, นี้แหละนะครับหัวข้อต่อไปอนุภาพของบุญกุศลและบาปอากุศล ตอนนี้ผมขออธิบายเรื่องอายุวันนะสุขโภคะภละก่อนนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจักกวัติสูตรที่คณิกายปาติกกวั์พระไตรปิฎกเล่มที่11อตอนท้ายของพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายเจริญสติปัฏฐานทรงย้ำให้ภิกษุมีบุญและมีธรรมเป็นที่พึ่ง และให้ถือเอาสติปัฏฐานสี่เป็นธรรมที่พึ่งเมื่อถือเอาสติปัฏฐานเป็นแนวทางในการปฏิบัติก็จะถึงความเจริญด้วยความเจริญห้าอย่างคือจะมีอายุยืนถึงหนึ่งกับถ้าต้องการอันนี้หมายถึงกับอายุคนนะครับเพราะเจริญอิทิบาทภาวนาประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขาร ค่อนข้างจะยากไปสักหน่อยเอาเป็นว่าอายุหมายถึงอิทธิบาทถ้าอยากมีอายุยืนก็ให้มีอิทธิบาทประธานสังขานี่คืออิทธิบาทที่เป็นไปในเจโตสมาธิคือเป็นไปในทางสมาธิสมาบัติแบบที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระองคตรัสว่าได้เจริญอิทธิบาทไว้ดีแล้วถ้าประสงค์จะมีชีวิตอยู่หนึ่งกับ หรือเกินหนึ่งกับก็จะอยู่ได้ก็หมายถึงอิทธิบาทแบบนี้แหละนะครับเจริญด้วยวันนะหมายถึงมีศีลมีธรรมดีสุขหมายถึงสุขในฌานสี่โภคะหมายถึงเจริญพรหมวิหารสี่ถึงขั้นอัปปมัญญาเรียกว่าเจริญด้วยโภคะเจริญด้วยภะกำลังหมายถึง เจริญด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสวะคือสิ้นกิเลสอาสวานังขยาเจโตวิมุตติงิงปัญญาวิมุตติพระละหมายถึงการหลุดพ้นจากกิเลสทินนี้ที่พระท่านให้พร อ, อภิวาดาณสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัทันติ อายุวันโนสุขังพลังอันนั้นหมายถึงธรรมดาอายุธรมนนธรมดาวรณะธรรมดาสุขะธรรมดาหมายถึงทางร่างกายอายุยืนวรณะผ่องใสสุขะนามัยดีทีนี้ผมจะโยงมาถึงอนุภาพของบุญกุศลและบาปอากุศลพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ให้มีตนเป็นที่พึ่งให้มีธรรมเป็นที่พึ่งหมายความว่าให้พึ่งตนและพึ่งธรรมธรรมที่ทรงสอนให้ถือเอาเป็นที่พึ่งก็คือสติปัฏฐานสว่าให้เจริญอบรมในสติปัฏฐานคือว่าเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้มารชั่วร้ายไม่อาจย่ำยีได้ในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุญย่อมเจริญขึ้นเพราะยึด ปฏิบัติอยู่กับธรรมที่เป็นกุศลและตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตได้มีพระเจ้าจาักรพรรดิพระนามว่าดันหะเนมิทรงตั้งมั่นอยู่ในธรรมสมบูรณ์ได้แกวเจ็ดประการมีจักแก้วเป็นต้นต่อมาทรงสละราชสมบัติมอบแก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ทรงผนวดเป็นบรรพชิต สามวันต่อมาจากแก้วก็อันตรทานหายไปทีนี้พระราชาองค์ใหม่ก็เสียพระทัยว่าจากแก้วหายไปจึงเข้าไปหาพระราชฤาษีคือพระราชบิดาปรึกษาว่าจะให้ทำอย่างไรพระราชฤาษีทรงแนะนำให้ประพฤติ ธ, ธรรมให้เคารพ ธ, ธรรมให้ปฏิบัติธรรมต่อมนุษย์และสัตว์ตามฐานนะและสมควรแก่บุคคลนั้นๆ เพ่งเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้สงบถามถึงกุศลอกุศลทำอย่างใดเป็นประโยชน์ทำอย่างใดเป็นโทษนี่คือจักวัติวัตที่พระเจ้าจากักรพรรดิควรทำพระราชาองค์ใหม่ก็ทรงปฏิบัติตามจากแก้วก็ปรากฏขึ้นขอหยุดวินิจฉัยตรงนี้นิดนึงว่าจากแก้วมาแก้วขุนพลแก้วอะไรนี่ น่าจะหมายถึงของดีจากแก้วคือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรดีเทคโนโลยีนะครับม้าแก้วก็ม้าดีทรงมีบุญญาพินิหารคืออนุภาพของบุญเป็นที่เคารพยำเกรงของสัตว์ทั้งหลายพระทรงประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมทรงสั่งสอนกษัตริย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือพระองค์ให้ประพฤติธรรมด้วย กษัตริย์ในราชวงศ์ของพระเจ้าดันหาเนมิทรงสืบราชสมบัติและทรงประพฤติธรรมดำรงอยู่ในจั ก, กรวรรดิวัดมาเจ็ดชั่วราชกาลพอถึงราชกาลที่8ก็เกิดผิดพลาดขึ้นคือไม่ได้พระราชทานทรัพย์แก่ผู้ขัดสนคนยากจนจึงมีมากขึ้นและก็ไม่ได้จัดการช่วยเหลือคนยากจนแบบประการใดจึงได้มีการลักทรัพย์ขึ้น คนลักทรัพย์ถูกจับได้แล้วก็ถูกนำตัวไปถวายพระราชาพระราชาตรัสถามว่าทำไมจึงลักทรัพย์เขาก็ทูลว่าเพราะความยากจนจึงพระราชท า, านทรัพย์ให้ต่อมาก็มีการโจรกรรมขึ้นอีกราชาบุรุษ จ, จับตัวได้ก็นำตัวไปถวายพระราชาอีกทรงสอบสวนแล้วทรงทราบว่าเขาลักทรัพย์เพราะความยากจนจึงพระราชท า, านทรัพย์ให้อีก เหตุการณ์เป็นไปในทํานองนี้เสมอๆจนมีการเล่าลือว่าใครอยากได้ทรัพย์พระราชทานก็ต้องไปลักทรัพย์การขโมยจึงเกิดมีมากขึ้นต่อมาทรงเปลี่ยนวิธีการคือเมื่อจับโจรได้ก็ไม่ได้พระราชทานทรัพย์แต่ให้ควบคุมไว้แล้วตัดคอซะบ้างลงโทษอย่างอื่นบ้างเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปอย่างนี้โจรก็โหดเหี้ยมขึ้น คือมีสัตราวุธที่ร้ายแรงปล้นทรัพย์แล้วฆ่าเจ้าทรัพย์เสียเพราะกลัวเจ้าทรัพย์เป็นพยานและพวกตนจะถูกลงโทษรุนแรงปานาติบาศก็เป็นไปอย่างรุนแรงการพูดมุสาเพื่อเอาตัวรอดบ้างเพื่อใส่ร้ายผู้อื่นบ้างก็เป็นไปอย่างรุนแรงเมื่ออกุศลลธรรมคือบาปมากขึ้นอายุของมนุษย์ก็ลดน้อยลง ผิวพันธุ์ก็เสื่อมทรามลงรุ่นพ่อมีอายุ8 0ดห0ปีพอถึงรุ่นลูกเหลือสี่0มปีลดลงครึ่งหนึ่งอายุของมนุษย์ได้ลดลงเรื่อยๆบาปหนาขึ้นความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิก็มีมากขึ้นอายุถอยลงเหลือห้าปีเมื่อมนุษย์อายุห้าปีอกุสศรธรรมสมอย่างเป็นไปอย่างแพร่หลายคือหนึ่ง รำวราคะความกำหนัดอันไม่ชอบธรรมหรือไม่สมควรเช่นพ่อกำหนัดในลูกแม่กำหนัดในลูกชายที่น้องร่วมเพศกันเองไม่เลือกพี่ป้านาอ่า 2. วิสมะโลภะโลภะในทางทุจริตสวมิจฉาธรรมคือคำสอนผิดๆความเชื่อผิดอันนี้อธิถกถาอธิบายว่าความกำหนดในเพศเดียวกัน คือชายต่อชายหญิงต่อหญิงปัจจุบันคือความกำหนัดทางเพศน่าจะเป็นผู้โคโมเโ ซ, ซ็กชวลอายุของมนุษย์ถอยลงอีกเหลือ250ปีเมื่ออายุ250ปีความไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาไม่ปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์ความไม่เคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็เจริญมากขึ้น มนุษย์ก็เสื่อมจากอายุอายุลดลงเหลือร้อยปีเป็นไปได้ว่าในสมัยหนึ่งมนุษย์จะมีอายุเพียงสิบปีอันนี้พระไตรปิฎกบอกไว้นะครับหญิงแต่งงานตั้งแต่อายุห้าขวบเมื่อมนุษย์อายุไข่ถึงสิบปีนั้นรสของเนยคน้เนเนยใสยน้ำพึง่งน้ำอ้อยและเกลือก็จะหายไป สิ่งเหล่านี้จะไม่มีรถเหมือนในปัจจุบันหญ้าเป็นอาหารอย่างดีของมนุษย์กุศ ล, ลกรรมโมบสิบจะหายไปอากุศ ล, ลกรรมโมบสิบจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งเวลานั้นแม้คำว่ากุศลคนก็ไม่ได้ยินจะทำกุศลได้อย่างไรพวกเขาไม่เคารพ บ, บิดามันดาสมณพราหมณ์ผู้ใหญ่ในตระกูล ไม่เคารพยางเกรงพ่อแม่พี่ป้านาอาพันรยาของอาจารย์พันรยาของท่านอันเป็นที่เคารพสัตวะโลกจะมีการสมสู่ปะปนกันเหมือนแพะแกะสุนัขในบัดนี้มนุษย์จะมีความอาฆาตพยาบาทกันรุนแรงแม้ในระหว่างมารดาบิดากับบุตรระหว่างพี่น้องเห็นกันแล้วก็เกิดอยากจะฆ่ากัน เหมือนพรานเนื้อได้เห็นเนื้อในป่าเมื่อมนุษย์อายุได้สิบปีจะเกิดสัตว์ถันตรกกับคือการใช้อาวุธกันอยู่เจ็ดวันเห็นกันแล้วมีความรู้สึกเหมือนเห็นเนื้อแล้วก็ฆ่ากันครั้งนั้นจะมีมนุษย์บางกวกที่ไม่ต้องการฆ่าใครและไม่ต้องการให้ใครฆ่าตัวจึงพากันหนีเข้าไปอาศัยอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้และซอกเขา เมื่อเลยเจ็ดวันจึงออกมาเห็นกันแล้วเข้าสวมกอดกันด้วยความยินดีว่าพวกเรายังมีชีวิตอยู่หนอพวกเขาได้เห็นโทษของการประพฤติอกุศลจึงชวนการประพฤติกุศ ล, ละธรรมเว้นจากการฆ่ากันเว้นจากการลักของกันเมื่อประพฤติกุศ ล, ละธรรมมากขึ้นอายุก็สูงขึ้นเป็นยี่สิบปี เห็นอนิสงของการประพฤติ ธ, ธรรมอย่างนี้แล้วจึงชวนการประพฤติ ธ, ธรรมมากขึ้นอายุก็ยืนขึ้นเป็น40ปี80ปี120ปีจนถึง80 0หมื่นปีโดยลำดับเมื่อมนุษย์อายุ80ดหมื่นปีนั้นหญิงอายุ500ปีจึงสมควรมีสามีได้สมัยนั้นมีอาพาธเพียงสมอย่างคือหนึ่งอยากกิน 2. ไม่อยากกินสความแก่บ้านเมืองทั้งหลายรุ่งเรืองสมัยนั้นเองพระเมธไตรสามมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นทรงสมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณทุกอย่างและจะทรงสั่งสอนธรรมเหมือนพระสามมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้พระเจ้าสังขะจั ก, กรพัททรงสละราชสมบัติ ทรงออกพันหวดในสำนักของพระเมธไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาได้เป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงยามอีกครั้งหนึ่งให้ภิกษุทั้งหลายมีบุญและมีธรรมเป็นที่พึ่งให้ถือเอาสติปัฏฐานสี่เป็นธรรมสำหรับเป็นที่พึ่งเมื่อถือเอาสติปัฏฐานสี่เป็นแนวทางอยู่เช่นนี้จากถึงความเจริญด้วยความเจริญห้าอย่าง ตามที่กล่าวมาแล้วถ้าอยู่ด้วยสติปทานสี่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นโครจรแห่งบิดาตนหมายความว่าเป็นเส้นทางเดินของพ่อไม่เป็นวิสัยแห่งมารมารย่ำหยีไม่ได้